จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระหัสที่23ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันหยุดทางราชการเนื่องจากเป็นวัน พระปิยมหาราชวันเราลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติในการเสริมสร้างพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตามอรารยประเทศต่างๆเป็นผู้ที่พวกเราได้รับผลประโยชน์เพราะการอยู่กินดีอยู่ดีของพวกเราในทุกวันนี้ก็เกิดจากการกระทำของพระองค์ในอดีตนั่นเองพวกเราจึงได้ใช้เวลาว่างในวันนี้ มารำลึกถึงพระคุณและตอบสนองหรือตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีปฏิบัติ จ, จิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่กัน อย่างมีความสันติสุขการพัฒนานั้นก็มีพัฒนาได้หลายรูปแบบด้วยกันในหลายอย่างด้วยกันแต่ไม่มีการพัฒนาอันใดที่จะสำคัญเท่ากับการพัฒนาจิตใจเพราะว่าในบรรยาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ มีจิตใจเพียงอย่างเดียวที่เป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดส่วนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะ เป็นบุคคลเป็นร่างกายของใครก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีวันเสื่อมหมดไปเรียกว่าอนิจจังคือไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะต้องมีวันที่สิ้นสุดคือเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสื่อมไปการพัฒนาของสิ่งเหล่านั้นก็หมดสภาพไปเราดูซากประหาหักพังของกรุงศรีอยุธยาของกรุงสุขโขทัยดูเป็นตัวอย่าง ในอดีตก็มีการพัฒนากรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยแต่ก็ไม่อยู่ไม่ได้อย่างถาวรเพราะผู้ที่พัฒนาก็ตายไปก็เลยไม่มีใครมาพัฒนากันต่อปล่อยให้ทิ้งไป ในที่สุดก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปหรือถูกทำลายด้วยสงครามด้วยการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรต่อให้เรา ทำงานทำการหาเงินหาทองมาได้เป็นร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวเวลาร่างกายเราตายไปเงินทองร้อยล้านพันล้านก็หมดสภาพคือเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่เราตายนี้มีสิ่งเดียวที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ไม่ตายไปกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็คือจิตใจจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่อยู่ไปตลอดแต่กับเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีคนน้อยมากที่เห็นความสำคัญของจิตใจ และพัฒนาจิตใจจนเป็นจิตใจที่เลิศที่ประเสริฐที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอาหลานตะสาวกทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ท่านมีความรู้ความฉลาดมีปัญญา ท่านเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของจิตใจและเห็นโทษหรือเห็นความเป็นภัยของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รวมไปถึงร่างกายของเขาเองเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป ไม่ว่าจะพัฒนาให้ดีขนาดไหนดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็หนีไม่พ้นกฎของอนิจจงคือกฎที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการดับสิ่งใดมีการเจริญสิ่งนั้นย่อมมีความเสื่อมตามมานี่คือปัญญา หรือความรู้ความฉลาดของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางร่างกายทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ พระพุทธเจ้าท่านก็เคยได้รับการพัฒนาทางราบยศได้เป็นพระราชนระชมีพระราชสธมีพระราชิมีพราิมีราชบราชิพรานิ์มีราชมีประสาชนนีาิมรานี่คือสิพงต่ระางๆทพี่พธระพธาพธรราชนธราราพรานพรานพานา เนื่องจากได้มาเกิดเป็นพระาราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแต่พระ อ, องค์กับไม่ได้มีความชื่นชมยินดีเพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นว่าสักวันหนึ่งพระ อ, องค์ก็ต้องแก่ลงไปต้องเป็นคนชราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไป พอตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงมีครอบครองไว้อยู่ก็ไม่ได้เป็นของพระองค์อีกต่อไปกลายเป็นของผู้อื่นไปหรือถ้าถูกทอดทิ้งปล่อยเอาไว้ต่อไปก็จะกลายเป็นซากเปล่าขักพันดังนั้นทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจได้เลย ไม่สามารถทำให้ใจมีความสุขไปได้ตลอดเวลาต้องมีวันที่จะต้องเสื่อมความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเวลาสิ่งต่างๆเสื่อมไปความสุขนั้นก็จะเสื่อมไปเวลาสิ่งต่างๆหมดสภาพไปศูนย์ไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ ก็จะหมดสภาพจะสูญตางไปเช่นคนที่มีสามีมีภรรยาเวลาอยู่ร่วมกันก็มีความสุขพอเวลาที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันความสุขนั้นก็หายไปนี่คือผลที่เกิดจากการไปพัฒนาสิ่งที่ไม่เทีย่ยงสิ่งที่ไม่ถาวร ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาพัฒนาจิตใจจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้เช่นเวลาเราตายไปจิตใจของเราถ้าได้รับการพัฒนา อย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาพัฒนากันคือมาทำบุญทำทานมารักษาศีลถ้าทำได้สองข้อนี้และทำได้มากเวลาตายไปเราก็เอาผลบุญที่เกิดจากการทำทานจะเกิดจากการรักษาศีลนี้ไปกับเราได้ คือความสุขใจอิ่มใจและจิตใจที่สูงขึ้นสูงจากการเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาขั้นต่างๆมนุษย์นี้สถานภาพของมนุษย์นี้อยู่ที่การมีศีลเทวดานี้นอกจากมีศีลแล้วยังมีทานใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นการเอาความสุขให้กับผู้อื่นนั้นจึงทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาจึงทำให้จิตใจสูงขึ้นเป็นเทวดาเพราะมีความเมตตามีความกรุณามีมุติตาคือ มีความปรารถนาดีคิดดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญถ้าทำอะไรได้ให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำมีความการุณาคือมีความสงสารเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากก็อยากจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบากด้วยวิธีการต่างๆ ตามกาลังของตนมีมุดิตาเวลาผู้อื่นได้รับความเจริญไม่ว่าทางาลาบยศสรรเสริญหรือทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัหรือในทางหน้าที่การงานในตำแหน่งต่างๆก็จะชื่นชมยินดีแสดงอนุโมทนาจิตไปกับเขามุดิตาจิตไปกับเขา การมีความเมตตากรุณามุฎิตานี่แหละที่ทำให้จิตใจมีความสุขมีความผ่องใสอันนี้เป็นสมบัติของเทวดาทั้งหลายผู้ใดอยากจะเป็นเทวดาต้องมีความเมตตามีความกรุณามีมุฎิตาแล้วถ้าอยากจะเป็น เท ว, วดาที่สูงขึ้นไปคืออยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องพัฒนาอุบเบกขาคือทำใจให้ว่างทำใจให้สงบทำใจให้เย็นทำใจให้นิ่งไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับสิ่งต่างๆเห็นอะไรได้ยินอะไรจะไม่รู้สึกมีอารมณ์กับสิ่งที่ได้เห็น หรือได้ยินใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเฉยๆอันนี้เป็นขั้นของพรหมผู้ที่จะขึ้นสู่ขั้นของพรหมได้จำเป็นจะต้องเจริญสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบนอกจากการรักษาศีล ห้าแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นการรักษาสิ้นแปลแล้วก็ต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่อง <c oughs> การเจริญสติโดยที่ไม่เผลอต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพราะเวลาอยู่ใกล้กับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ ใจจะไม่สามารถตั้งสติได้จะถูกเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆดึงให้ไปเกี่ยวข้องด้วยใจก็จะไหลไปลอยไปกับเหตุการณ์แล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาสติ เพื่อทำให้ใจตั้งมั่นให้นิ่งให้สงบให้ว่างได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่ต้องมาพบกับใครไม่ต้องมารู้มาเห็นเรื่องราวต่างๆอย่างพระที่ท่านไปไปปฏิบัติไปทุดดงในป่ากันเนี่ยการทุดดงของพระก็คือการปีกวิเวกการหลบหลีก อยู่ห่างไกลจากเรื่องราว ว, าาาารราวุ่นวายต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้เรื่องราววุ่นวายต่างๆจะไม่สามารถพัฒนาสติเพื่อทำใจให้สงบได้ผู้ที่ปรารถนาความเจริญที่สูงกว่าขั้นระดับของพรหมก็ต้องไปปรีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ก็ถ้าอยู่ใกล้จะไม่สามารถตั้งสติให้อยู่นิ่งๆได้ใจจะหมุนไปกับแสงสีเสียงต่างๆเวลาดูภาพยนตร์ใจก็จะคิดตามไปเวลาร้องเพลงฟังเพลงก็จะคิดตามไปใจก็จะไหลไปเรื่อยๆเวลาเห็นคนอื่นเขา รับประธานอาหารใจก็จะอยากจะรับประธานอาหารเห็นคนอื่นเขาทำอะไรก็อยากจะทำตามเขาถ้าต้องมีการกระทาอยู่อย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบจะไม่เป็นอุเบกขาถ้าอยากจะให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้เป็นพรหมให้มีฌานมีรูปฌานอารูปฌาน จำเป็นจะต้องมีสติที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปหาสิ่งต่างๆไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ให้ไปหาคนนั้นคนนี้เรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ของสติถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้ บทสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆ<ป>อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งสติก็คอยจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆเช่นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดิน เดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินข้างหน้าเดินกลับมาก็รู้ว่าเดินกลับมาให้รู้อยู่กับการเดินอย่างเดียวอย่างเวลาที่เราเดินจงกรมนี้ก็เป็นการเจริญสติการดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดินไปแล้วจะใช้ การดูเท้าก็ได้ก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวก็ก้าวไม่ไหวคิดถึงขนมแล้วก็เดี๋ยวอยากจะไปหาขนมแทนถ้าอยากจะทำใจให้นิ่งต้องอย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆ ออถ้าคิดแล้วเดี๋ยวอดไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดความอยากไปหาสิ่งต่างๆดังนั้นต้องพยายามควบคุมบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ตั้งของสตินะพุโทโธก็พุโทโธไปสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปนะดูร่างกายก็ดูร่างกายไปนะมีหลายวิธีด้วยกัน พระพุทธเจ้าทรงสแสดงวิธีเจริญสติไว้ถึง40สวิธีเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ไม่จําเป็นจะต้องเจริญทุกข้อนี่หมายความว่าให้เราเลือกข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกับเราไปร้านอาหารเขามีกับข้าวมากมายไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปสั่งอาหารทุกชนิดมารับประทานเราเลือกอาหารที่เราต้องการจะรับประทาน รับประทานแล้วทําให้เราอิ่มเราก็เลือกสิ่งนั้นมาสั่งสิ่งนั้นมารับประทานฉั้นใดการเจริญสติก็เป็นการทําใจให้อิ่มนี่เองกรรมฐานสี่สิบชนิดนี้ก็เป็นเหมือนอาหาร40ชนิดของใจเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเจริตกับเราเหมือนกับเราเลือกอาหาร เราเลือกอาหารที่เราชอบรับประทานเราก็เลือกกรรมฐานที่เราชอบใช้ถ้าเราชอบบริกรรมพุทโธเราก็เลือกพุทโธถ้าเราชอบสวดมนต์เราก็เลือกสวดมนต์ถ้าเราชอบดูร่างกายเราก็ดูร่างกายไปถ้าเราชอบพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเราก็พิจารณาไปเดินไปก็ท่องไปว่า แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายท่องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะว่างจะเย็นพอเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธไปหรือถ้าดูร่างกายก็ให้ดูลมหายใจดูหายใจเข้าออกดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้า อ, อก ดูที่ปลายจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกถ้าดูที่หน้า อ, อกก็ดูความรู้สึกของลมที่เข้าไปทําให้รู้สึกพองขึ้นมายุบเข้าไป<ม>ก็ให้ดูอย่างนั้นดูที่หน้า อ, อกหน้าท้องก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอ<ม>จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ขอให้รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกรู้แค่นี้ อย่าเผลออย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปคิดแล้วก็จะไม่รู้ว่าลมเข้าหรือลมออกถ้าไม่ดูที่หน้า อ, อกก็ดูที่ปลายจมูกเวลาลมเข้ามันจะมีการสัมผัสอยู่ตรงปลายจมูกให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกเพราะจะไม่ทำให้ใจไม่นิ่งจะทำให้ใจไม่รวม จะทำให้ใจไม่สงบอย่างเต็มที่ตราบใดที่ใจยังไม่สงบอย่างเต็มที่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆต้องพุทโทรไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกสงบเย็นสบายหรือว่ามีอะไรปรากฏให้มารับรู้ก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจต่อไป จนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วบางทีทุกอย่างก็หายไปแม้แต่ร่างกายก็หายไปเหลือแต่ใจผู้รู้อยู่ตัวเดียวสัตว์แต่ว่ารู้ตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นก็เป็นการรับรางวัลเหมือนกับรับประทานอาหารอิ่มอิ่มแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรพักก่อนพักให้สบายก่อน พอหายแล้วพอพร้อมที่จะออกไปทำงานทำการค่อยไปทำต่อไปเวลาทำใจให้สงบนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเจริญปัญญาไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจารณาทำต่างๆเป็นเวลาที่ให้ใจได้พักผ่อนให้สร้างพลังขึ้นมาเพราะว่าการเจริญปัญญานี้จะต้องใช้กำลังมาก ก็จะต้องเอาไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่คอยสร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆให้แก่จิตใจข้าศึกศัตรูของจิตใจก็คือกิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่ดังนั้นก่อนที่จะออกไปหาไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต้องพักต้องรับประทานอาหาร ให้ร่างกายนื้อให้จิตใจแข็งแรงก่อนดังนั้นเวลาจิตใจสงบอย่าไปทําอะไรปล่อยให้ใจสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจะถอนออกมาอองเวลาถอนออกมาใจก็จะเริ่มรับรู้เรื่องต่างๆเริ่มคิดเรื่องอะไรต่างๆก็อย่าปล่อยให้ไปคิดถ้า ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ใช้สติไปก่อนควบคุมใจต่อไปด้วยการพุโทโธพุโทโธไปหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายไปแต่ถ้าคิดทางปัญญาได้ก็ให้ดูว่าตอนนี้มีความอยากหรือเปล่าภายในใจถ้าอยากจะไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นก็หยุดมันเสียเช่นอยากจะไป เน้นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มสุรายาเมาอยากจะไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกรืน่นกายการกระทําเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะจะทําให้ติดติดแล้วก็จะทําให้ทุกข์เวลาอยากได้แล้วไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่ตนเองอยากได้ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ ความอยากที่เป็นพิษภัยกับจิตใจอย่าทำมันแต่ถ้าเป็นความอยากที่เป็นประโยชน์กับจิตใจก็ทำไปเช่นถ้าอยากจะพุทธโธต่อไปนี่ก็ทำไปได้ถ้าอยากจะกลับมานั่งสมาธิใหม่ก็ทำได้ความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่มีประโยชน์ไม่เสียหายแต่ความอยากที่เป็นโทษ เช่นอยากไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องหยุดมันด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าทําไปแล้วก็เท่านั้นความสุขที่ได้ก็เดี๋ยวเดียวพอหมดไปแล้วก็อยากจะทําใหม่ก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินไปเที่ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเดือดร้อนขึ้นมาแล้ว หรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้ก็ทุกข์เองแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์เพราะอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้กลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าหรือเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไปควบคุมความอยากอย่าไปทำตามความอยากใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุข นี่คือการใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในปัจจุบันถ้าไม่มีความอยากเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ให้คิดถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาต่อไปในอนาคตเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์คือเรายอมรับความจริงแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตาย ปัญหาอยู่ที่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราจึงต้องคอยพิจารณาเตือนใจเรื่อยๆว่าร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องจากเราไปแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้แก่ไปกับมันเราไม่ได้เจ็บไปกับมันเราไม่ต้องไปทุกข์แทนมัน ร่างกายมันไม่ทุกข์มันไม่เดือดร้อนเลยเวลามันแก่มันเจ็บมันตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายตายไปกับมันกลับไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันเพราะอะไรเพราะเราหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายนี่นี่แหละการพิจารณานี้เพื่อแยกตัวเราให้ออกจากร่างกายให้รู้ว่าเราที่คิดที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายเราอยู่ที่ใจ ใจไม่ตายเราไม่ตายไปกับร่างกายเราจึงไม่ควรไปกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายปล่อยมันให้มันตายไปเราไม่ตายเหมือนร่างกายคนอื่นเราเดือดร้อนหรือเปล่าเวลาคนอื่นตายคนที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไปคิดว่าเป็นของเราเช่นไปคิดว่าเป็นพ่อเราแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเรา เราก็จะไม่อยากให้เขาจากเราไปพอเราเกิดความอยากไม่ให้เขาจากเราไปเราก็ทุบขึ้นมาเวลาที่เขาต้องจากเราไปดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจากกันปัญหาอยู่ที่การไม่อยากจากกันเวลาเราอยากจะจากใครนี่เวลาเราจากเขาไปเรารู้สึกไงดีใจไหมเวลาอยู่กับคนไม่ดีนี้แล้วได้จากเขาไปนี้รู้สึกยังไงดังนั้นขอให้เรา ทำใจว่าเราต้องจากกันแล้วพร้อมที่จะจากกันถ้าเราพร้อมแล้วเวลาจากกันนี้เราจะไม่ทุกข์ใจนี่คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปสูงกว่าระดับพรมระดับพรมก็คือทำใจให้สงบแต่ยังไม่สามารถทำใจรับกับความจริงไม่สามารถหยุดความอยากได้ผู้ที่สามารถหยุดความอยากได้ด้วยปัญญานี้ ก็จะขึ้นไปสู่ระดับของพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายคือไปสู่ขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระ อ, อรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าเข้าสู่ขั้นอริยแล้วจะไม่มีวันเสือ่อมเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นผุ้ตชนอีกเป็นพระสกิดาคามีก็จะไม่กลับมาเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าเป็นพรหมเป็นเทวดานี่ยังเสื่อมยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าได้ไปขั้นของพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแกมาเจ็บมาตาย นี่คือการพัฒนาขั้นสูงสุดถ้าเป็นพระ อ, อนาคามีก็กลับมาเกิดแต่เกิดในสวรรค์ชั้นพรหมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวหลือชาติเดียวถ้าเป็นพระโสดาบันก็เหลือไม่เกินเจ็บชาติแต่จะเป็นพระ อ, อริยเจ้าคือจะไม่เป็นผุุ้ชนเหมือนพวกเรา จะรู้จักวิธีดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆเพราะมีธรรมะมีแสงสว่างรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของตนเองถ้าดับความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปเช่นคนทุกเวลาไม่สบายก็เพราะอยากจะหายพอไม่หายก็ทุกข์ใจ แต่ถ้ายอมรับว่าไม่หายก็อยู่กับมันไปความทุกข์ใจก็จะไม่มีนี่คือของจิตของพระอริยเจ้าท่านจะไม่ไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกแต่รู้ว่าปัญหาต่างๆเกิดอยู่ภายในใจของตนเองต้องแก้ที่ใจความทุกข์เกิดที่ใจเกิดจากความอยากของใจต้องแก้ด้วยปัญญา ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากงั้นเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะหยุดแล้วก็จะเฉยๆแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปคือปล่อยวางนั่นเองนั่นนี่แหละที่ทําให้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามี และพาาาระอรหันต์และทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจยิ่งกว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆเพราะว่าเป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ถาวรแต่การพัฒนาจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่ถาวรมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาตายไปก็ไม่ได้เสือ่อมกลับมาเกิดใหม่ก็ยังอยู่ในระดับสูงได้ถ้าเป็นโสดาบันกลับมาเกิดก็เป็นโสดาบันถ้าเป็นสกิดาคามีกลับมาเกิดก็เป็นสกิดาคามีไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเวลาที่เราย้ายโรงเรียนเราไม่ต้องไปเริ่มที่กองไก่ใหม่ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ป .1 ใหม่เราอยู่ชั้นป .6 เราก็ไปต่อปม .1 เลยนะ ชั้นใดการพัฒนาจิตใจก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลับมาที่ศูนย์ใหม่แต่ถ้าพัฒนาอย่างอื่นนี้ต้องกลับมาที่ศูนย์เป็นมหาเศรษฐีพอตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาพัฒนาใหม่มามาสร้างสมบัติขึ้นมาใหม่จึงอย่าไปหลงกับการพัฒนาสิ่งที่ไม่ถาวรให้เรามาพัฒนาสิ่งที่ถาวรกันก็คือจิตใจของเรา ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำทานรักษาศีลและภาวนาไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่แน่ชาตินี้ก็อาจจะพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดได้เพราะมีผู้ที่พัฒนากันมาแล้วเป็นจำนวนมากภายในชาตินี้ชาติเดียวเพราะการมีพระพุทธศาสนานี้ทำให้เป็นไปได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้พัฒนาอย่างไรก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้เลยยังอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไปรีบเข้าหาพระพุทธศาสนารีบศึกษาแล้วก็รีบนำเอาสิ่งที่ได้รับรู้ไปปฏิบัติแล้วเราจะได้พบกับความประเสริฐเลิศโลกที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันตามลำดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุมนสุขภะละโดยทั่วหน้าการเธอ